ก็ยังคงเป็นเรื่องของวิกรมจรจลิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับสิงหาสนะทวารตรงสติกาเป็นลัตตนะบรรยงหรือว่าอาสนะที่นั่งนะคะซึ่งพระอินทร์ได้มอบให้นะคะโดยมีคำกล่าวมอบว่าดูก่อนวิกรมมริติ์เราให้ลัตตนบรรยงนี้แก่เธอ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 32อย่างอยู่แล้วเธอเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่คู่ควรสำหรับแท่นนี้ครับแต่เรื่องราวที่เล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากยุค ข, ของพระเจ้าวิกรมาทิตย์<ะ>เป็นราวห0 0 0ปีครับโดยกษัตริย์โพชะเป็นผู้ขุดพบะนะค ะ, ะเรียกว่ารัตบัญญงนี้มาสิงหาสนธวาริงสติกาครับนะคะแล้วก็ ได้สดับรับฟังเรื่องราวของความมีคุณธรรมอันยอดเยี่ย ม, อมของพระเจ้าวิกรมาติแห่งกรุงอุทยินี<ะ>เมื่อพันปีมาแล้วนะคะเมื่อพระองค์ได้นํารัตนบรรยงหรือสิงหาสนะทวาติงสติกาสติกาเนี่ยมาที่ท้องพระองค์ในพระองค์ก็ก้าวขึ้นตามลําดับซึ่งก็จะมีนิทานมาเล่ามาได้ลําดับไปสิบเรื่องแล้วตุกตา ซ, ซึ่งอยู่ในแต่ละขั้นบันไดก็จะได้เอ่ยปากเล่ามาเป็นลําดับ ค่ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมของพระเจ้าวิกรอมาธิรถมาสูงส่งมากอย่างไรผูร้ที่สมควรที่จะนั่งบันลังนี้ก็จะต้องมีคุณธรรมเสมอกันครับจริงๆก็มีข้อคิดนะคะคุณจะยุตถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยคือคนเราเนี่ยจะขึ้นที่สูงได้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาวงจรของคนเดิมว่าที่เขาอยู่ที่สูงอยู่ได้นานก็มีคุณธรรมแบบไหนครับอยู่ที่สูงและอยู่ไม่นานก็มีกรรม มีข้อเสียอย่างรคุสนละกมขนาดไหนนะคมีข้อเสียอย่างไรคือมันก็เป็นข้อน่าศึกษาเหมือนกันและถ้าหากว่าเราทำอะไรที่มันเกินตัวเกินความรู้เกินความสามารถของเรามันไม่สามารถที่จะก้าวล่วงพ้นไปได้คือหรือว่าคุณธรรมความดีไม่ถึงเข้าคนเก่าท้ายที่สุดก็จะต้องถูกต่อต้านนะคะถดถอยลงมานะคะอที่นี้ประศัตรแห่งโพชานจะขึ้นไปเนี่ยพรุ่งก็จะต้อง ต้องยอมรับ ว, ว่าในแต่ละเรื่องที่ตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ย<ะ>ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าวิกรมรรม ท, ทั้งหมดมีมีคุณธรรมคําสอนที่สอแสดแทรกมาทุกคำนะคะซึ่งเหมือนกับพระเจ้าโพชัดเนี่ยต้องค่อยๆฟังและงไร่รวนเหมือนกับได้อบรมพระองค์เองด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องวิกรธรมามจริตเนี่ยใช้สอ น, นวิวัตรศาสตร์ด้วยนะค ะ, ะ, ะเพราะว่าในคุณธรรมแต่ละข้อนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของพระเจ้าพิฆโนมศที่พีอย่างเดียวนะครับคือในประเทศอินเดียนในอดีตเนี่ยนะครับก่อนที่เรื่องที่เป็นนิยมาภาษ า, าสันสกฤตนี้จะตกทอดมาเนี่ยเขาได้นําเรื่องอย่างเนี้ยนะครับไปสอนกับบุคคลที่อยู่ในวรรณะกษัตริเพราะว่าด้วยเห็นความจําเป็นว่าเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยประชากรเยอะมากนะครับจะต้องมีคุณธรรมที่จะครองใจคนได้จริงจแต่ทุกท่านที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอให้เปรียบเทียบว่าสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับ หัวหน้าองค์ก ร, รเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหัวหน้าครอบครัวพ่อบ้านทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวนี้มีผสมหมดนะคะเป็นเรื่องในครอบครัวสอนลูกสอนลางสอนเด็กอสอนวัยรุ่นสอนหนุ่ ม, อมสอนหมดนะคะคุณจะยไม่ใช่เฉพาะสอนกระสับเท่านั้นแล้วก็เวลาฟังแล้วก็สอนใจตัวเราเองนะฮ ะ, ะถ้าทุกคนสอนใจตัวตัวเรากันเองทั้งหมดก็จะได้ไม่ต้องมาฟังข่าวอะไรแบบนี้ที่ฝังทุกวันเนี่ยนฮะคือปีหน้าเนี่ยคือมนุษย์ปุถุชนนะึก็จะถามว่าเออปีหน้าจะไลฟ์ไปกว่าปีนี้ไหม มันคงพอกันแหละนะคะคือปีนี้เราผ่านกันมาได้ปีหน้าเราก็ผ่านได้อย่าไปพี่ตกกังวลมากเราก็คํานึงถึงว่าปัจจุบันนี้ทําให้ดีที่สุดนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงภาคพิงนะคะถึงดวงดาวว่าเออช่วงเนี้ยดวงดาวมันไม่ค่อยดีมันเป็นรูป ก, กากบาทมีดาวสถิตอยู่ที่ราศีธนวาลทําไม่เกิดเหตุตลบัตเรื่องที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้ามันเรื่ว่าจริง มันไม่จริงมไม่ใช่นะครมีการใส่ลายใบสีนินทาว่าลายให้เสื่มเ ส, ส, สียชื่อเสียงกันเนี่ยเราฟังก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณคําว่าใช้วิจารณญาณการฟังเนี่ยคงไม่ใช่ใช้เฉพา ะ, ะในเรื่องของการพยากรณ์นะซึ่งแอนเห็นบ่อยๆในทีวีนะควรจะใช้กับทุกคนกับคําพูดของทุกคนด้วยฟังข้อมูลข่าวสารฟังใครพูดก็ตามต้องพิจารณาตามใช้วาร น, นะคะพิจารณารตามว่า ม, มันใช่หรือเปล่า อย่าฟังความข้างเดียดแล้วตัดสินนะคะมันก็เป็นบาปแกตัวเราเองด้วยนะคะของเรานี่ยที่พูดนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในจานวนตุกตานะฮะคือเราพูดตามดาวเราพูดตามดาวพูดตามดาวแล้วก็เตือนคุจยุตินะฮะไม่กล้าไมบังอาจเตือนใครก็แอนก็เตือนกุจยุตทุกวันเพราะเห็นหน้าส่งคนไม่กับไมค์ไมค์กโฟนเท่านั้นเองนะคะก็กุณจยุติกระวังอย่าไปใส่ร้ายใครอย่าไปคิดร้ายต่อใครคิดดีทาดี เราคิดดีทำดีวันนี้พวกนี้มันก็ไม่มีเรื่องนะคะที่ถ้าเกิดคนไหนที่อยู่โดดเด่นเกินไปก็ต้องเป็นเป้าขเขาของความอิจฉาและศสียของภูมที่มุ่งโกทะนะมุ่งโกรธนะโทสะมุง่งร้ายหมายขวัญ น, นะคะอาฆาตูผูกอาฆาตเพราะเราเอาเราอาจจะเด่นเกินไปจริงๆแล้วไม่ใช่ปีหน้าหรอกทุกวันเวลาที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยจงทําดีแต่อย่าเด่นครับประเด็นเกินมันก็นี่แหละค่ะค่ะ แล้วอเผอิญช่วงนี้เนี่ยดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนดาวเสาเนี่ยผู้หญิงทั้งหลา ย, ยก็มักจะถูกนินทาว่ า, าร้ายสาวสาวทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังกับบ้านเนี่ยกับดึกกลับดิ่นชาวบ้านก็จะนินทาน <ะ S 2> พอนินทาไปหดแล้วโอ้โหแก้ตัวให้มันดีเนี่ยมันยากอย่าไปคิดว่าฉันไม่แคร์ฉันอยู่ได้นะคะคแต่บา ง, งทีปากคนนี่ก็ทาให้เราน้ตา อะไรก็ตามเอาล่ะกลับมาที่เท้าโพชา้าท่านยกประบาทขึ้นเหยียบศีรษะตุ๊กตาตัวที่11บเด้วยความมั่นใจ ค, คุณธรรมสิบข้อที่ผ่านมานี้ก็ถือว่ายากมากจริงๆะนะก็เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ว่าท่านวิกรมาทิตย์เนี่ยได้มีความเพียรพยายามอุตสาหอดทนอยู่ตั้งนานกว่าที่จะประสบผลสำเร็จ แต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีผู้ที่ขาดแคลนมากกว่าต้องการมากกว่าท่านก็สละให้ได้ของวิเศษที่ะะได้ผลไม้วิเศษที่ได้ผลจากความเพียรเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเนะมรับวก็มอไปคนอื่นทันทีให้เลย คิดอย่างที่น้แหมใครมาขออะไรเราอยากจะให้หมดเลยนะคะครับนะคะมีความรู้สึกอินค่ะคุณชยุจะขอแะไรก็รีบขอก็ขอข อ, ขอสังวรชยุทธไว้ชิ้นหนึ่งนะ ค, ะ <c oughs> ครับครัตุ๊กตาตัวที่11นั้นก็เป็นเรื่องราวนะคะสมัยพระเจ้าวิกรธรรมาทิตศเช่นเคยซึ่งกองราชสมบัติที่เมืองอุชยินีครับซึ่งตลอดทั่วพื้นพิภพก็จะมีแต่ความสงบสุขที่เราได้เกลืนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าไม่มีชนผู้ร้ายขัดตกรคนชั่วช้าเาร็วซ้ำ ถ้าจะมีเวลาว่างพระเพราะพารากิจสักนิดนึงนะคะคือพระองค์ก็ไม่ได้ใช้เวลานั้นเพื่อการพักผ่อนรหรือแสวงนะความสุขส่วนพระองค์ทรงเอื้ออาทรต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของแว่นแคนทํางานไม่ได้หยุดได้หย่อนนะคะเหมือนท่านนายุกหลักกาะเห็นบินไปบินมาครับป่วยเออเรียกป่วยไล่ป่วยคือไม่ได้พักเลยนะบินเหนือบินใต้บิ น, ต, บนตะวันออกเชงเหนือไปประชุมตรงนั่นตรงนี้ะนะคะก็ แต่เข้าดาวแล้วก็ไม่มีแล้วน ะ, ะตอนนี้ก็ Down to the South นะครับรอยูภาคใต้ตลอดถ้าโระชาชนไม่ใช่ค่ะคือพระชาวิกรนำเพมาปพิจิตรเนี่ยปกติเนี่ยทรงมีการวางแผนอันแยบยลและมีประสิทธิภาพในการเตรียมรับมือกับราชาประจันตประเทศที่อาจจะยกทัพมาลุกลามในเวลาใด เ, เวลาหนึ่งคือมีการปรับปรุงกองทัพมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอและการคิดป้องกันบ้านเมืองอย่างรอบรอบนี้ ก็ทําให้พระองค์เนี่ยต้องตกเป็นทาสของความกังวลพระทยอยู่บ่อยๆ hmm. คือบางทีพระองค์ก็นอนไม่หลับ mm hmm. นะคะกังวลเพราะมันมีเรื่องอยู่เรื่อยบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะปิดนิดผิดหน่อยนะคะคืออยู่สูงเนี่ยคิดดีนะคนทร์รักก็มีคนช่างก็มี mm hmm. ก็ถูกรับเป็นเป้าสายตาถูกจับผิดทั่วประเทศละค่ะคนะคะพระเจ้าวิการมาทิตย์เนี่ยท่านก็ทรงมีความกังวลนะคะ ท่านก็มักจะรำพึงอยู่เสมอว่าคนที่ตกเป็นทาสของความร่ํารวย<ะ>ไม่รู้จักแม้แต่พ่อและแม่ของตนคนที่ตกเป็นทาสของความรักก็จะไม่รู้จักแม้แต่ความกลัวหรือความละอายอคนที่ตกเป็นทาสของงานอย่างพระ อ, องค์ท่านเนี่ยก็จะไม่รู้จักทั้งความสุขและการพักผ่อนนอนหลับและคนหิวจนตาลายก็ไม่รู้จักแม้แต่ความแตกต่างของอาหารและขยะน่าคิดไหมคะจริ<ะ>งนะฮะคนที่ตกเป็นทาสของความรวยเนี่ยพ่อแม่ ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะพ่อแม่พี่น้องญาติวงพวงษาไม่รู้ใครเป็นใครฉันไม่เกี่ยวละทั้งรวยใครรูหนูทั้งหลายนะคะสาวๆตกเป็นทาสของความรักก็ไม่กลัวไม่ละอายละไม่อายอะไรทั้งสิ้นอย่าพูดอะไรก็พูดหนูจะเอาหนูอยากก็ไปครับหนูอยากจะไปสู่ขอข้าวมันมีนะฮะคนที่ตกเป็นทาสของงานนะคะอย่างหลายๆคนที่ทํางานเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักความสุขหรอกเพราะว่าความสุขของเขาอาจจะอยู่ที่งานนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าความกังวลมันก็เยอะค่ะ แล้วก็การพักผ่อนนอนหลับมันก็น้อยลงไปส่วนคนที่หิวจนตาลายนะคะก็ไม่รู้จักรสชาติขอ ง, ของคำ<อ>งว่าของดีของเสียไม่รู้อาหารแลอะขยะครับแต่ว่าประเจ้าพิกรมาทิศเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีปัญญาพระองค์ทรงเป็นทุกข์กังวลต่อความปลอดภัยของรัฐก็จริงแต่ด้วยความมุขมนะต่อการปฏิบัติราชกิจอย่างฉลาดและลออรอบคอบนะ่ารู้จักเลือกบุคคลสรรหาบุคคลที่เหมาะสมซื่อสัตย์สุจริต ะะแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยเป็นที่เคารพของกษัตริย์ทุกแเวนแควนต้องมาก้มกราบกานแทบประบาทของพระองค์ในที่สุดและพระองค์ก็ส่งสอดส่องปกครองประเทศด้วยสันติสุขเสมอภาคนะจะรักกระชังไม่รู้แหละพระองค์ให้เสมอเหมือนกันหมดนะคะครั้งหนึ่งพระราชาวิกรธรรมทิศทรงมอบภารกิจในการปกครองบ้านเมืองแก่เหล่าเสนามนดีแล้วก็เสด็จปลอมพระองค์เป็นโยคีท่องเที่ยวไปในแดนไกลเพื่อทอดพระเนศสิ่งอาศจร่างต่างๆ ทีใดมีสิ่งที่น่าดูน่าสนใจพระองค์ก็จะประทับที่นั้นเป็นหลายเวลาเลยค่ะแล้วค่อยเสด็จต่อไปครับคือเป็นการเพิ่มพูนความรู้เห็นด้วยตาแทนที่พระองค์จะรับฟังอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนแวดล้อมใกล้ตัวทําให้เสียมันนักตักแล้วพระองค์ต้องเห็นด้วยตาตนเองต้องไปดูเองอ่าก็มอบหมายราชกิจไปใค ร, ครทําการแทนก็ไปแล้วก็ออกไปดูเองซึ่งอันนี้เนี่ยกษัตริย์จีนหลายพระองค์เลยนะคะที่เป็นห้องเต้เป็นแบบมหาราชเนี่ยก็มกักจะเสด็จออก นะเพื่อจะไปดูไม่ว่าจะเป็นหั่นอูตี้นะคะถังไทยจงเฉียนหลงะนะเสด็จออกนอกพระราชวังเพื่อปลอมพระองค์เนะี่ยไปดูตามความเป็นจริงทีนี้ตอนที่ต้องท่องเที่ยวไปเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเสด็จเข้าไปถึงใจกลางของป่าใหญ่ก็ดีพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงเด็กๆก็ถามว่าแปลว่าอะไรคะคุณป้าครับแปลว่าอะไรคะคุณลุงอาทิตย์ตกนะอธิตกดินค่ะพร้อมก็แวะไปนั่งพักที่ควงไม้ และคงไม้ก็คือบริเวณไม้ที่มีร่มเงากิ่งก้านใหญ่แผ่สาขามาพักผ่อนพระว่าสูงเดินทางเมื่อยล้ามาตลอดวันนะคะปรากฏว่าบนยอดไม้ เ, เป็นที่อยู่ของพญานกเท่ามีชื่อว่าจีรังชีวินจีรัง ย, งย่ายืน ช, ชีวินแปลว่าชีวิตเพราะฉะนั้นเจ้านกตัวนี้แปลว่าผู้มีอายุยืนแม้จาเอาไว้ตั้งตั้งชื่อจีรังชีวินนะเป็นชื่อของนกเท่า พญานกเนี่ยมีลูกหลานเยอะตอนเช้าต่างตัวตั้งก็ออกจากลังที่หากินอย่างถิ่นไกลตกเวลายเย็นก็กลับลงลังพร้อมด้วยผลไม้หนึ่งผลมากำนันแก่พญานกซึ่งเป็นการปฏิบัติที่น่าชมมากเลยค่ะเพราะว่าพญานกนี่แก่แล้วนะคก็จุกจิกจุกจิกเจแ จ, จมีนักปราด์ได้กล่าวไว้พระมนูนได้ประกาศไว้ในพระธรรมศาสตร์ว่าพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ดี ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีก็ดีลูกที่ยังเยาว์วัยก็ดีเหล่านี้เป็นผู้ที่พึงถูกเลี้ยงดูไม่ว่าคนเหล่านั้นจะได้ทําความผิดมาแล้วตั้งร้อยครั้งก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพ่อแมที่แก่เท่านะคะรับต้องให้ที่มีพ่อแม่ที่แก่แล้วเดินก็ไม่ตรงทางตาก็ไม่มองเห็นท่านอาจจะบนหุ่นบนนี้ต้องดูแลท่านครับต้องดูแลนะคะภรรยาที่มีความซื่อสัตย์จำไม่ได้ข้าวเฉยยุทธตต้องดูแลให้ดีนะคะลูกที่ยังเยาว์วัย เหล่านี้เราต้องเลี้ยงดูดแเราอย่าไปทอดทิ้งเขานะคะก็น่าชมที่คุณแม่หลายท่านลาออกจากงานมาดูแลดูลูกบางคนนี่ลูกเยาวความคิดแต่ไม่เยาววัยฮะมันแก่ขึ้นมาทุกวันทุกวันชั้นบทมันประจํามันแก่แล้ว <c oughs> แต่ว่ามันเยาวความคิดค่ะในคืนวันนั้นเองพยาปักสินปักสินแปลว่าพญานกจีหลังชีวินก็นั่งพักผ่อนอย่างสบายมีแวดล้อมในวงศาคณิ คือพญานกคนนี้คือตอนที่สมัยเขาหนุ่มๆอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลนกเหล่านกที่ยาวัยพอตอนเขาแก่นกยาวัยก็เลยมาดูแลเขาค่ะนะคะดังนั้นก็เลยแวดล้อมได้ลูกหลานนะค ะ, ะพระราชาวิกรามาธิ์ซึ่งนั่งอยู่ตรงโคนต้นไม้ก็ได้ยินเสียงเหล่านกที่สนทนากันเจาะแจ๊กแจแจนะคะคือจริงๆเนี่ยตรงบ้านเราที่คุณจะยุธเอาลังมาตั้งเอาไว้นะคะตรงนบ้บนัน<า>แต่เราไม่รู้เรื่อ ง, องนั้นเองนะคะ<ช>แต่พระเจ้าวิกรามาทิศเนี่ยทรงมี เรียว่าพระไที่แจมกระจ่างเข้าใจนะคะแต่ถ้าทุกคนไลฟ์ก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเขาไม่ถึงเข้าใจภาษานกมียานอันหนึ่งนะคะสังฆพู้เจ้าก็ก็ตรัสสอนไว้นะคะเป็นยานที่เรียกวรู้ภาษาสระนะคะเาีอันนี้เนี่ยพระเจ้าพิการรมอาทิคงจะมีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงปลอมเป็นโยคีเนี่ยก็ต้องได้ปฏิบัติบําเพ็ญตะบะบสมาธิก็มีก็ได้ยินพญานกเทาก็พูดว่าลูกๆเอ้ย วันนี้พวกเจ้าบินไป น, นิที่ไกลๆได้เห็นอะไรที่แปลกแปลก ต, ตาบ้างหรือเปล่านี่พยานกนี่มีนิสัยเหมือนพระเจ้าวิกรละมาทิตอาจารย์นกตัวหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยแต่มีความเศร้าพยานกบอกว่าเออทุกใจเรื่องอะไรเนี่ยเล่ามาซินกดุ่มมันก็กล่าวอย่างเลยนะที่มันจะมีประโยชน์อะไรเราไปก็เท่านั้นแหละแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าพยานกเท่าก็บอกว่าเจ้าหนุ่มเอ้ยเล่าไปเถอะใครก็ตามที่มีทุกข ถ้าได้เล่าให้คนอื่นฟังความทุกข์ก็ย่อมจะเบาบาลงเล่าซะหน่อยก็ายังนีเพราะท่านย่อมว่าใครก็ตามที่บอกความทุกข์แก่เพื่อนผู้ซื่อสัตย์หรือบอกแก่บริวารที่มีคุณธรรมหรือบอกแก่มีที่อยู่ในโอวาทหรือบอกกับเจ้านายที่เห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นย่อมคลายจากความทุกข์เสมออย่าลืมนะครับมีความทุกข์ต้องบอกบุคคลสี่จำพวกจาได้ไหมค ะ, ะคเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ครับ พรวารที่มีคุณธรรมเมีที่อยู่ในโอวาทเจ้านา ย, นายที่เห็น อ, อกเห็นจในจเราลูกนกุมก็เลยอ่ ะ, อะจะเล่าให้ฟังแค่<ะ>แต่ท่านพ่อคือนกทุกตัวเนี่ยเล่าพยานเรียกพยายนลกเท่าว่าพ่อหมดทางทิศเหนือไกลเพธิ์มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อไสวาลโคสะตนี่ออกแบบเสียงภาษสกฤดนะคะใกล้ๆ ก, กับภูเขานั้นเป็นที่ตั้งของมนุเล็กๆเมืองนึงทุกวันมีล่ากระสุตัวหนึ่ง อาสาอยู่บนยอดเขาจะลงไปที่นคร น, นั้นก็ทําการคุกคามให้ชาวเมืองตื่นตกใจวิ่งหนีกันคล้าเลยลากสุดได้ทีก็จะจับเอาคนผู้ผหนึ่งายเป็นเหยื่อแล้วก็กินเป็นพักษาหารวันหนึ่งชาวเมืองก็เลยตกลงที่ข้อเสนอการลากสุดว่าเอาละท่านประกาศศูนย์นะคะประกาศอาศูนนะคะก็คือลากสดุดเป็นน้องๆ อ, อาศูนย์พอกินเนื้อเนะนื้อขนอย่าไปจะไล่จับคนในเมืองกินอีกเลย มันเดือดร้อนอเดี๋ยวเราจะส่งมาให้ท่านกินมาละผล น, นับแต่นั้นมาชาวเมืองก็มีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นหมายความว่ามีคิวไม่ต้องคอยวิ่งหนีเอาตัวรอดเหมือนแต่ก่ อ, น, อนก็มีคิววันหนึ่งวันเนี้นะคะวันที่นกหนุ่มไม่ไปถึงเนี่ยก็ถึงเวของพราหมณ์คนหนึ่งที่จะไปสังเวยพญาอสูรพราหมณ์คนนี้เนี่ยเคยเป็นเพื่อนของข้าไม่ใชิก่อนอนกมีคุณธรรมมีความผูกพันอชาตินี้เขาเกิดเป็นพราหม์ มีบุตรชายคนเดียวแสดงว่านกอายุยืนนะคะมองเห็นชาติพบอะะะ่ะเขาเป็นเพื่อนมนตั้งแต่ชาติที่แล้วที่มีบุชายคนที่ถ้าว่าส่งลูกให้อสูรกินวงตระกูลก็จะถึงที่สุดถ้ายอมให้รากสดกินตัวเขามีก็ต้องกลายเป็นไม้ท่านก็ยอมทราบดีนะว่าการเป็นไม้เป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสข้าเนี่ยมีความสงสารก็พอเป็นทุกข์ไปะกับเขาด้วยครับและนี่ที่มาเป็นความโศกเศร้าที่มันแก้ไขไม่ได้ เมนกหนุ่มกล่าวจบลงบรรนานกที่แวดล้อมก็เซ่งแซ่กันใหญ่เลยโอ้เจ้านี่เป็นเพื่อนแท้นะดูที่ต้องโศกเศร้าเพื่อนจนชาติปางก่อนได้แท้ๆมีความทุกข์นะก็นี่แหละแก่นแท้ของความเป็นมิตรละ่ะสมดังที่ท่านกล่าวว่ามิตรที่ดีคือผู้ซึ่งเป็นสุขยามที่เพื่อนเป็นสุขเศร้าโศกเมื่อเพื่อนอยังเศร้าโศกน้ําในมหาสมุทรย่อมเอ่อทนสูงขึ้นเมื่อพระจันทร์สู่ท้องฟ้าและลดลงเมื่อพระจันทร์ตกน้ํา อุปมาัีกชันเดียวกัน <Okay. S 2> นะคะก็หมายความว่าเพื่อนทุกขก็ทุกด้วยเพื่อนสุขก็สุขด้วยเพื่อนเศร้าเราก็เศร้าด้วย uh huh. เหมือนพระจันทร์กับน้ําที่สัมพันธ์กัน uh huh. ถ้าพิกรรมิมาที่ได้ยินคําของลูกรงก็ละโคนไม้รีบเสด็จไปโดยด่วนไม่ยอมพักเลยไปที่นครแห่งอสูรที่นั้นก็ทอดไปนด้เห็นแท่นสังเวยของผู้ตกเป็นเดือของอสูร uh huh. ตั้งอยู่ก็เสด็จลงทรงสนารในทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงกัน เสและก็เสด็จไปประปทับบนแท่นสังเวยคอยดีอยู่ซึ่งน้องๆหลายคนที่ฟังติดตามมาตลอดอัจกิจว่าท่านท้าวิกรมาธิตท่านตัดสินใจยังไงหรือท่านจะยอมตัดสินใจเอาชีวิตท่านสังเวยให้เจ้าพกาสูนี้ไปเลยมันจะได้จบแล้วจบเรื่องกันไปหรือจะมีข้อต่อรอง